คือผมเนปกติแล้วก็มีการไปทำบุญปล่อยปลาบ้างตามตามวาระนะครับแต่ทีนี้นะคะชีวิตจริงอยู่ที่บ้านเนะะี่ยก็ทากับข้าวเช่นพวกข้าไก่ข้าวปลาอะไรพวกนี้นะครับคือมันรู้สึกมีความขัดแย้งกันตรงนี้ฮ ะ, ะจะจะมีบุญหรือมีบาปกันตรงนี้ครับอยากให้หลวงตาช่วยชี้แนะนะครับใจเราก็รู้อยู่แล้วเห็นไหมเราก็รู้ถึงใจแล้วคนเราเนี่ย บาปบุญคุณโทษเนี่ยมันรู้ถึงใจอยู่แล้วเนี่ยรู้แก่ใจทุกคนเนี่ยอันไหนเรารู้เป็นบาปเราก็อย่าไปทําสิเราก็ไปซื้อเอาเขามีขายในท้องตลาดเยอะอย่าไปฆ่าเขาเราจะทําบุญทําไมต้องทําบาปก่อนล่ะรู้คืออย่างนี้ครับคือในความเป็นจริงที่จะต้องทํากับข้าวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีความจําเป็นต้องทํานะครับก็เลยผลบุญหรือผลบาปตรงนี้มันจะตาม ไปสู่เราในในชาตินี้ชาติหน้ายังไงครับท่านครับแน่นอนอยู่แล้วตั้งในชาติปัจจุบันและในภพชาติต่อๆไปแน่นอนอยู่ทําไมเราไม่ไปซื้อนในท้องตลาดเขามีขายเยอะๆอย่าไปชี้ตัวที่เขาบ่อยกระทุ้บไม่ตายเลยเนะี่ยอันเราไปดูอของที่มันตายแล้วลเราอย่าไปเอาของเป็นอย่าไปชี้เขาฆ่าเราอย่าไปฆ่าขาวมันเป็นบาปกรรมมันเป็นบาปกรรมตอนนั้นนี่ยมียาติ ของผู้รักษาเนี่ยนอนเป็นโลกทางสมองนอนนอนอยู่ผ่าสมองก็ไม่ขึ้นมาแล้วก็เละเละทะไม่ดีเลยเราเดินเข้าไปโอ้โหปวดหัวมากเลยที่แรกท่านบอกว่าเราช่วยไปดูหน่อยดูอยู่ญาติผู้ใหญ่ท่านหน่อยที่อยู่นอนอยู่พอเดินเข้าไปในห้องนอนอ่ะโอ้โหต้องปวดหัวมากเลยต้องออกมาเลย อยู่ไม่ได้เลยปวดหัวมากเลยบอกว่าญาติเธอนี่ทุบหัวปลาเยอะมากเลยอ่ทําสุดท้ายเนี่ยได้รับบาปข้กรรมเนี่ยต้องเป็นโรคทางสมองเนี่ยต้องผ่าสมองต้องอะไรเนี่ยแล้วก็สุดท้ายต้องมานอนอย่างเงี้ยให้อาหารทางสายยางนอนอยู่บนเตียงเนี่ยไอบาปข้อกรรมเนี่ยนะมันไปตกนรกสยาวนานพอมาเกิดเป็นเกิดเป็นศาสเกิดเป็นมนุษย์เลยโอ้บาปข้อกรรมจะต้องได้รับมาตามให้ผลอีกอะ่ะมันได้รับกะ ไอ้ผลยาวนานมากเลยอย่าไปทําิดดีกว่าไปซื้อเอาอย่าไปฆ่าอย่าไปชี้เขาฆ่าแล้วอย่าไปฆ่าเขามีเจ้าของโรงพยาบาลหมอเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยภรรยาก็เป็นหมอมาปฏิบัติธรรมกับเราอยากให้เราช่วยไปดูสามีหน่อยเพราะว่าสามีอสามีแบบ ผ่าสมองสามสี่ครั้งไม่ดีขึ้นต้องให้อาหารต้องใสยาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวก็ไอ้ลงตาไปไปช่วยดูหน่อยไปไปหาเราไปไปแผ่เมตตาหน่อยเฮ้ยพอเข้าไปไม่ถึงตัวเลยอะต้องถอยออกเลยไอ้มันเหมือนกับมีควายมันละควิดท้องเลยเฮ้ย ทำไมอย่างเงี้ยเราอย่างท่านจะเดินเข้าไปเลยอ่ะมันเหมือนมีควายพุ่งชาร์จออกมาจากไอตัวหมอเนี่ยเข้ามาควิดที่ท้องเราเลยเราก็เฮ้ยทำไมอย่างเงี้ยมันยืนขวางตาขวางเลยตาแดงเป็นไฟแล้วว่าท่านจะช่วยเขาเหรอดูที่ว่าเขาทําอะไรกับผมไมว้อเราโทษว่ามัน สมัยก่อนอู้ชาติเป็นชาติก่อนก่อนน้นของชาตินี้คงไม่ทำหรอกชาติก่อนก่อนน้นเล่นกีฬาชนวัวชนควายแล้วก็คุิดกันเอาควายวัวควายไปคุิดกันพอคุิดแล้วเออเวลาชนะชนะได้เงินก็นดีเอาไปกินไปเที่ยวกันสนุกแต่พอแพ้ปุบ๊บเอาค้อนปอน่ะเอ็ดจัดเล้าค้อนปอนที่เป็นหัวเหล็กอ่ะยาวๆก้าน ไอ้ดำมันยาวๆหวดเปียงมาที่หัวมันแล้วก็ไปแล่เนื้อกินกันมันช่วยทำให้หาเงินมาได้ดังเยอะแยะพอมันแพ้เนีนะ่เอาค้อนปอนหัวเหล็กฟาดไปเป็นหัวมันพอคงไปตกมาลกสยาวนานนะพอมาในเชฟชาปัจจุบัน ออกไปเดินออกกําลังกายอยู่ๆล้มหงายท้องตึ้งลงไปเฉยๆท่านี้ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เหยียบอะไรเลยเอ้ามาผ่าสมองผ่าขึ้นมาแล้วก็ไม่ดีขึ้นผ่าครั้งที่สองผ่าครั้งที่สามผ่าแล้วผ่าอีกจนเละเทะไปหมดน่ะไม่ดีขึ้นเลยให้อาหารจองฟีด ต, ตรงส่ยางเป็เจ้าของโรงพยาบาลด้วยสุดท้ายจะแก้ความตายช่วยไม่ได้เลยเนี่ยกรรมที่มันให้ผลร้ายแรงนี่ โอโ้อีกรายหนึ่งเป็นหลวงปู่พรรษาการมากแล้วอายุ80กว่าท่านเป็นผากินสันสันทั้งตัวเลยสันอย่างรุนแรงหมอบอกว่าอีกไม่เกินสองเดือนก็ถึงแก่ความตายเพราะว่ามันสันมากเลยเป็นผากินสันที่สันชนิดสันก็เลยบอกอ๋เป็นยังไงไมะเป็นกัน หลวงปูลง่ลองตั้งใจดูที่มันมันเกิดจากอะไรเนี่ยก็เลยเอาช่วยต้านอีกแรงอ๋อหลวงปู่เมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่หลวงปู่จะมาบวชเนี่ยเวลาพอกบมันร้องฝนตกแล้วกบกบมันร้องกบอึ่งอ่างอะไรมันร้องแล้วเนี่ยเอาแล้วเอาไฟฉายดีใจมากเลยเอาไฟฉายติดที่หนาผากออกไปแล้วพออดินเสียงมันอ้องอ๊บอ๊บอ๊อ๊อ๊บตรงไหน ไปเจอมันก็เ อ, อาไม้ตีโป้มันก็ดิ้นชักแงงแๆงแๆงแงงแงงก็จับใส่ตะค้องโอ้อาการของท่านเป็ผากินสารเหมือนเด้เลยเหมือนเด้เลยแล้วก็ท่านทําอย่างเงี้ยตีแล้วก็ทําทอยู่ไปบ่อยท่านบอกว่าโอ้โหไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามันจะเอาถึงตายเลยท่านนี่มันจะทําเป็นทหารกินนะเนี่ยแล้วก็ชาวไร่ชาวนาเนี่ยก็ทําอย่างนี้แน่ผลตกก็ไปใช้ติดหน้าผาแล้วก็ออกไปล่ะแล้วก็พอมัน ลอาโอบโอ๊บโ อ, โอไปฉายปลายตีโป้มาก็ชักแง่งแงงแง ง, ง, งงแล้วจับจบตใจคอเหมือนเลยแต่ด้วยท่านเนี่ยบำเพ็ญภาวานามาดีเป็นผู้ปฏิบัติธรรมดีเลยช่วยเอาแพรเมตตาทลุไปให้ลสิแพ่ช่วยไทอแกแรงอยอมให้อภัยหายเลยไม่น่าเชื่อรักษาแทบตายไม่หาย ไอ้ทสั่นๆหายเลยหายขาดเลยไม่เป็นอีกเลยอ้าวแต่ตอนหลังเดินเดินเดินไปเกิดติดกึกเดินไม่ได้ต้องจับตัวหมุนเดินเดินเดินไปติดกึกต้องจับตัวหมุนเดินไม่ได้ต้องจับเขย่าเขย่าเขย่าถึงจะเดินได้โอ้โหไอ้ตรงนี้หนักเลยหนักกว่าที่มันสั่นๆอีกเพราะอะไรมันเดินไม่ได้เลยทำให้เดินไม่ได้ ถ้เดินไม่ได้นอนนอนบ น, นเตียงเดี๋ยวก็อยู่ไม่นานโอ้เอน้นอนเป็นอย่างงี้ขนาดท่านปฏิบัติดีขนาดเนี้ยเราให้มันไปแล้วขนาดนั้นแล้วก็หมดแล้ว อ, อะไรอีกเนี่ยเนี่ยเอาไหนเอาใหม่สิอะไรเงี้ยเมื่อท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องดูสิเปิดดูซิมันเป็นยังไงอ้าวไปเจออ๋อโอ้ยลูกปูไปตีอะไรต่อจน หลังมันหักเลยอะเนี่ยโอ้โหใช่เลยไอลูกวัวมันแอบเข้าไปกินพันพันข้าวหรือพันข้าวฝ้าอะไรล้วก็จาไม่ได้ที่ที่ท่านเน็บไปใต้ถุนะ่ะใต้ถุนบ้านแล้วความยากจนเน่ยมันก็มีอยู่แค่นี้นห่ะไอพันธุข้าวหรือพันข้าวฝ้าใต้ถุนบ้านไม่รู้ลูกวัวมันมันรอดเข้าไปได้ไงมันมันไปแอบมันไปกินท่านเห็นเข้าด้วยความมโหยอย่างรุนแรง เอาสันมีดนะท่านบอกว่าไม่ได้เอาไม่ได้เอาคมมีดเอาสันมีดฟาดมันไปอย่างสุดแรงเกิดเลยมโหมากไปโดนตรงไอ้ไอ้บันเอวมันตรงบัเอตตรงข้างหลังอะทางทางแถวบันเอวมนะันทางสะโพกมันเป็นอวมพาตร้องควรครางเดินไม่ได้เจ็บปวดแสนสาหาัสทรมานมันตายมันก็ไม่ตายมันร้องทรมานอยู่นั่นแน่ มันคงอาคารพยาบาทยาวนานกว่ามันจะสิ้นลมท่านเดินไม่ได้เลยติดตรงตะโภกหมออะก็หลายว่าเอมันติดตรงตะโภกเนี่ยทำให้ท่านเดินไม่ได้แก้ยังไงช่วยอย่างไงหลายนี้ไม่ยอมเลยบอกว่าหลายนี้มันจะเอาท่านถึงตายอะ่ะมันไม่ยอมไม่มีทางเลยไม่ยอมจนทุกวันนี้ยังแก้ไม่ตกเลยเนี่ยหลายเนี้ยต้องบอกว่า นี่กบนะกบเกียดก็ไปตีธรรมดาเนะี่ยใช่ไหมเล็กลายทุกหัวปลาเนะี่ยต้องมานอนสมองผ่าสมองเหมือนกันแหละทุกหัวปลาก็เหมือนกันอมันให้ผลแสบปวดร้อนมากเลยแต่ละลายอนะ่ะทําเขายัางไงทำเขาที่หัวดูเถอะเขาหัวสมองแต่ละคนเนะี่ยเละโดนผ่าหัวแล้วก็ผ่าหัวอีกอันนี้ทุบเขาที่หลังไปโดนหลังเข้าไปน้ําเลยทาทุบเขาที่หลังไปนํามาผปาตัวเองเดินไม่ได้ติดแงกเอย เนี่ยไปตีหัวเข้าไปชักชักชักชักตัวเองก็มาชักเหมือนเขาเลยโอ้มันเหมือนทุกอย่างเลยละด้วยอกรรมที่แต่ละคนได้รับมันมันเหมือนกันที่ตัวเองไปทำมันต้งหมดเลยอ่ะอย่าไปทําเลยนึกแล้วมันเสียใจมันติดจิตอย่าไปทํำซะเลยดีกว่ามันพลาดไปแล้วแก้ยากอืมแต่มันนอกสีจากว่ามันพลาดไปแล้วนะเนี่ยมันไม่รู้จะทํำยังไงมันพลาดไปแล้วเออถ้าเราเนี่ยมัน มันไม่มีคนสอนมีชี้แนะอย่างทุกวันเนี้ยเราก็จะไม่ไปทําอย่างนั้นนึกเสียใจแต่มันทำไงมันทําไปแล้วเออแต่ก็ต้องมาอยู่ทางเดียวอ่ะเอาตัวอย่างองค์กุริบาลอย่างที่องคุริบาลเน่ยว่าโอ้ยองคุริบาลฆ่าคนตั้งเยอะสุดท้ายสำนึกผิดยังบรรลุอรหันต์ได้เราเนี่ยในเราในชาตินี้เราไม่เคยฆ่าคนมากขนาดองคกุริบาลเลยไม่เคยทํำบาปกรรมหนักขนาดเนี้ยไม่เคยฆ่าคนเลยสักคนนั่นเนี่ยสํานึกผิด โดยใจจริงๆอ่ะก็ทำไมจะบรรลุนิพพานไม่ได้ถ้าเราสมนึกผิดจริงๆก็เอาต้องเอานึกถึงเอาปริมาณไปตัดจานเลยแล้วก็สมนึกผิดก็จะบรรลุบางคผลนิพพานได้เหมือนกัน